การฟังเทศฟังธรรมเป็นเหมือนกับการรับประทานผลไม้เวลาเรารับประทานผลไม้เราจะรับประทานเนื้อของผลไม้เรามักจะปอกเปลือกทิ้งกันเวลากินส้มนี่เราจะกินเนื้อส้มแต่เราจะไม่กินเปลือกส้มเวลากินทุเรียน มันจะกินแต่เนื้อทุเรียนเปลือกทุเรียนเราไม่กินกันศาสนาพุทธก็มีเนื้อและมเปลือกมีเปลือกเปลือกของศาสนาก็คือพิ ธ, ธีกรรมต่างๆส่วนเนื้อของศาสนาก็คือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าชาวพุทธเราสมัยนี้รู้สึกจะ ชอบกินเปลือกกันมากกว่ากินเนื้อชอบไปทำพิธีกรรมต่างๆที่ไหนมีพิธีกรรมนี้จะมีคนแห่กันไปเยอะที่ไหนมีการแสดงทำนี่ไปกันน้อยนี่คือเรื่องของาศาสนาชาวพุทธเรา ส่วนใหญ่มากจะชอบกินเปลือกกันไม่ชอบกินเนื้อกันอาจจะเป็นเพราะามันกินยากมันมันต้องเปลือกมันต้องปอกเปลือกก่อนถึงจะได้กินเนื้ออย่างทุเรียนเนี่ยก่าจะได้กินทุเรียนนี่เหนื่อยอาการถ้าไม่มีมีดไม่มีอะไรไหนเปลือกมันก็แหลมคมก็กินเปลือกมันซะดีกว่าง่ายดี ไม่เลยไม่ได้กินเนื้อกันธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าการศึกษาการฟังธรรมก็ต้องใช้สติใช้ความตั้งใจพอสมควรถึงจะฟังธรรมแล้วรู้เรื่อ ง, องส่วนพิธีกรรมนี้ไม่ต้องใช้ความพยายามมากเพียงแต่ ไปแล้วก็ไปเช่นพิธีเททองหล่อพระหรือปิดทองฝังลูกนิมิตมันเป็นการกระทาที่ไม่ต้องใช้สติใช้สมาธิมากปิดทองเอาทองมาแปะแปะลูกนิมิตหรือพิธีกรรมอะไรต่างๆ แต่มันไม่ได้รับประโยชน์อะไรมากบางทีไม่รู้เสียเลยซ้ำว่าทำอะไรไปฝังลูกนิมิตเนี่ยลูกนิมิตมีความหมายว่าอย่างไรทำไมเขาถึงต้องมีลูกนิมิตกันรู้ไหมเวลาเขาสร้างโบสถ์เนี่ยเขาต้องมีลูกนิมิตลูกกลมๆคือลูกนิมิตนี้เป็นเป็นเหมือนกับ มาร์เกอร์ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่เราจะากำหนดบริเวณของอุโบสถขึ้นมาของโบสขึ้นม า, าเวลาเราจะสร้างบ้านเราก็ต้องกำหนดเขตบ้านของเราแลวล้อมรั้วรั้มรั้ว่ า, ววานี่คืออาณาเขตของบ้านเรา เราต้องมีความแน่นอนว่าเราไม่ไปลุกล้ำเขตของผู้อื่นการสร้างโบสถ์ก็ต้องมีการกำหนดเขตของของโบสถ์ของอุโบสถ์สมัยโบราณเขาก็ใช้เอาลูกหินนี่มาวางไว้ตามจุดต่างๆตามหัวมุมต่างๆเพื่อจะได้รู้สี่สี่หรือสี่มุมสี่มุมแล้วก็อาจจะมีตรงกลางอีก ก็มีประมาณด้านละสามลูกสามลูกเพื่อที่จะได้กาหนดเขตอของโบสถ์อันนี้คือเป็นเรื่องของพิธีกรรมเวลาที่จะทำอะไรในทางศาสนาก็ต้องมีขั้นมีตอนอทำให้ถูกขั้นตอน แ น, นั้นเองแต่มันไม่ได้เป็นเรื่องของธรรมะคำสั่งคำสอนที่เกี่ยวกับการมาปฏิบัติกับจิตใจมาสร้างความสุขให้กับใจมากำจัดความทุกข์ให้กับใจการที่เรา จะกําจัดความทุกข์สร้างความสุขให้กับใจเราได้สร้างความสุขความเจริญที่เป็นมงคลอย่างแท้จริงเนี่ยต้องเกิดจากการฟังเทศฟังธรรมธรรมะเป็นคำสอนเป็นเหมือนกับแผนที่แผนที่ที่จะบอกทางให้เราไปถึงที่ จุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไปกันจุดหมายปลายทางที่พวกเราทุกคนต้องการก็คือความสุขไม่มีความทุกข์ไม่ต้องการให้เจอความทุกข์เจอแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวตอนนี้เราหาความสุขกันแบบ เป็นความสุขชั่วคราวความทุกข์ที่เรากําจัด <c oughs> ก็กําจัดได้เพียงชั่วคราวกําจัดแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่ความสุขที่เราหากันหาได้แล้วมันก็หายไปต้องหาใหม่เช่นเวลาเรามีความไม่สบายใจเราก็ไปเที่ยวกัน ไปเที่ยวกันความไม่สบายใจก็หายไปชั่วคราวพอกลับมาจากเที่ยวเดี๋ยวก็เจอความไม่สบายใจอีกหรือเวลาเราอยากจะมีความสุขเราก็ไปซื้อกาลซื้อของกันไปช้อปปิ้งกันไปดูไปฟังไปกินไปดื่มกันอพอเราได้ ช้อปปิ g ได้กินได้ดื่มได้ดูได้ฟังเราก็เกิดความสุขใจขึ้นมาแต่พอเรากลับมาบ้านมันหายไปหมดอยู่บ้านเดี๋ยวก็เกิดความเบือ่อเกิดความเสงขึ้นมาอีกนี้คือวิธีหาความสุขของพวกเราวิธีกำจัดความทุกข์ของพวกเรา เป็นการกำจัดได้ชั่วคราวเป็นการได้ความสุขแบบชั่วคราวจะได้ความสุขแบบถาวอนนี้ไม่มีไม่เคยเจอจะกำจัดความทุกข์ได้อย่างทาวอนนี่ยังกำจัดไม่ได้ยังโผล่ขึ้นมาไม่ยังโผล่ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆ เ, เดี๋ยวก็เรื่องนั้นเดี๋ยวก็เรื่องนี้ เดี๋ยวก็คนนั่นเดี๋ยวก็คนนี้เดี๋ยวก็ร่างกายของเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มีเรื่องให้ทุกข์อยู่เรื่อยๆกำจัดยังไงก็ไม่หมดสักทีก็เพราะว่าเราไม่รู้จักวิธีกำจัดที่ถูกต้องนั่นเองการจะกำจัดความทุกข์ได้อย่างถูกต้องอย่างถาวร การที่จะสร้างความสุขให้เกิดขึ้นได้อย่างถาวรนี่ต้องศึกษาจากพระพุทธเจ้าหรือจากพระธรรมคำสอนหรือจากพระอริยสงสากเท่านั้นเพราะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละเป็นผู้ที่รู้วิธีสร้างความสุขที่ถาวรเป็นผู้ที่รู้วิธีกาจัดความทุกข์ที่ถาวร การที่เราเข้าหาพระพุทธศาสนานี้ก็เพื่อที่จะมาศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านี้เองแต่ถ้าเรามาวัดแล้วเราไม่เข้าถึงพระธรรมคําสอนนี้ก็เหมือนกับไปไม่ถึงวัดเช่นส่วนใหญ่มักจะไปที่พระอุโบสถก่อนไปวัดดังๆเช่นวัดพระแก้วเอ วัดโสธรวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังมักจะไปไม่ถึงวัดไปไปถึงเปลือกวัดพระบโชชนีนเป็นเหมือนเปลือกวัดไปกราบพระพุทธรูปไปจุดเทียนแล้วก็ไปถวายดอกไม้ถวายสิ่งสักการละหรืออาจจะ ถเงินทองเป็นเครื่องสักการะแทนแล้วก็ขอความสุขขอความทุกข์ให้หมดไป น, นี่คือวิธีการเข้าห า, าศาสนาของชาวพุทธเราส่วนใหญ่คิดว่านี่คือวิธีเข้าห า, าศาสนากันยึงไม่ค่อยได้ผลจากการเข้าห า, าศาสนาเท่าไหร่ ยังไม่ค่อยเกิดความประทับใจกับศาสนาเพราะว่าไม่เข้าถึงเนื้อของศาสนาเข้าถึงเปลือกของศาสนาการเข้าถึงเนื้อศาสนานี้ต้องเข้าหาพระธรรมคำสอนอที่ต้องไปวัดก็เพราะว่าที่วัดจะมีพระธรรมคำสอนนั่นเอง แต่วัดก็ไม่ค่อยที่จะเอาพระธรรมคำสอนออกมาเผยแพร่เอว่าจะเผยแพร่เพียงวันเดียวเท่า น, านั้นเองอาทิตย์ละวันวันพระวันธรรมมัสสวาณะพอเขาบอกว่าวันพระเป็นวันธรรมมวสะเอณะก็เลยเอาแค่วันเดียวธรรมัสสวาณะแปลว่าอะไรแปลว่าการฟังธรรมะะ วันพระวันธรรมัตสวเนะเป็นวันฟังธรรมเมื่อวันพระพระก็เลยต้องเอาธรรมะออกม า, าแต่ก็เป็นธรรมะที่ เ, เป็นธรรมะใบลานคืธรรมะที่เขียนเอาไว้แล้วก็เอามาอ่านให้ฟังก็เป็นธรรมะ อ, อยู่เหมือนกันแต่อาจจะเป็นธรรมะที่ค่อนข้างที่จะ เข้าใจยากเพราะบางทีท่านก็ใช้ภาษีใช้ภาษาของของพระมาสอนคือภาษาบาลีรถมันหิวน้ำเนี่ยทางวัดก็ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ทำให้ธรรมะเข้าสู่พุทธศาสนานกะชนได้อย่างง่ายดาย พาะปะยึดติดในรูปแบบของธรรมะคือรูปแบบของภาษาต้องพยายามรักษาภ า, ภาษีภาษาอันนั่งเดิมเอาไว้คือภาษาบาลีเกรงว่าถ้าไม่รักษาเดี๋ยวธรรมะจะจะจะเสื่อมหายไปแต่คนฟังฟังไม่รู้เรื่องก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมีธรรมะที่วิเศษที่ ดังเดิมคือการรักษาภาษาบาลีก็เพื่อที่จะรักษาออริจินัลทีของความดั้งเดิมของคำสอนถ้าเอาอมาแปลเดี๋ยวกลัวจะแปลกันผิดแปลกันถูกแล้วเดี๋ยวก็ว จ, ะกกกวกจะกลายให้ทำให้ธรรมะแปลงเพศแปลงพันไปได้ก็เลยต้องรักษาบาลี แต่การรักษาบาลีมันก็ทำให้คนที่ไม่ได้ศึกษาบาลีฟังไม่รู้เรื่องอพอฟังแล้วก็พอไม่รู้เรื่องก็เลยขาดสติขาดความสนใจอพอฟังแล้วมีบาลีเยอะๆนี่งงนอกจากบาลีแล้วยังมีลาชาศั์เข้ามาด้วยพราเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าที่ท่านเป็นกษัตริย์ การจะใช้ภาษากับกษัตริย์ก็ต้องใช้ราชาศัพท์แทนที่จะว่ากินก็ต้องว่าเสวยหน้าตาก็เป็นพระพักไปพระเนตรไปพระพักพระเนตรคนที่ไม่เรียนราชาศัพท์มาฟังแล้วก็ไม่เข้าใจไม่ได้เรียนบาลีมาฟังแล้วไม่เข้าใจบางทีพระท่านก็ใช้บาลี แล้วท่านไมแปลบาลีให้ให้ฟังเช่นบางทีท่านศัพท์ของของคําสอนบางคําสอนมันก็แปลไม่ได้แปลเอเช่นสังขารความคิดปรุงแต่งนี้เวทนาความรู้สึกนึกคิดบางทีภาษาไทยก็เอาภาษาบาลีมาใช้อีกความหมายหนึ่งเวทนานี้เราเอามาใช้แบบสองเพศ สมเพศเวทนาแต่บาลีนี้หมายถึงความรู้สึกเช่นสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์่เรียกวเวทนาสังขารความคิดปรุงแต่งแล้วก็มาใช้กับร่างกายกลายเป็นร่างกายไปฟังธรรมเลยสับสนฟังธรรมแล้วก็เลยไม่เข้าใจ อันนี้ธรรมะแทนที่จะเป็นของง่ายก็เลยกลายเป็นของยากไปเพราะผู้ที่นำเอาธรรมะมาเผยแผ่ไปให้ความสำคัญต่อการรักษาความดั้งเดิมของภาษาธรรมแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ไปปฏิบัติด้วย ก็จะได้แต่ชื่อของธรรมะแต่ไม่ได้ตัวของธรรมะการจะเข้าถึงตัวของธรรมะนี้ต้องเข้าด้วยการปฏิบัติการศึกษาการฟังเทศฟังธรรมนี้ยังเป็นการเรียนรู้ชื่อของธรรมะอยู่แค่นี้นเราฟังนี่เป็นเรื่องเป็นชื่อของธรรมต่างๆที่เรายังเข้าไปไม่ถึงต้องเกิดจากการปฏิบัติ ถึงจะเข้าถึงตัวธรรมะเพระฉะนันการที่จะเอาธรรมะมาเผยแผ่สั่งสอนให้ถูกต้องแม่นยำและให้เข้าใจได้ง่ายนี้จึงต้องเกิดจากผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติจนเห็นธรรมจนเห็นธรรมเห็นตัวธรรมปรากฏขึ้นในใจของตนเถึงจะสามารถเอาธรรมนี้ มาเผยแพร่ได้โดยไม่ต้องใช้ภาษาบาลีใช้ภาษาของคนที่ฟังได้เลยแต่ถ้าไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยคนที่จะเอาธรรมะมาเผยแพร่ก็จะยึดแนวของภาษาบาลีแล้วก็เอาเอาคำแปลของภาษาบาลีมาแปลบางทีก็แปลบางทีก็ไม่แปล การเข้าถึงธรรมเลยกลายเป็นของยากไปคนจึงไม่ค่อยอยากจะฟังธรรมกันฟังแล้วมันไม่สนุกฟังแล้วมันเบื่อสังเกตดูญาติโยมนี้ที่ฟังธรรมนี่มักจะหาเสากันหาเสาพิงกัน เวลาพระตั้งนโมก็เตรียมตัว <c oughs> เข้าฌานกันก็ฟ <c oughs> ังไม่รู้เรื่องหรือ <c oughs> ไปงานศพงานสวดต่างๆก็สวดภาษาบาบีกัน <c oughs> สวดญาติโยมก็ไม่รู้พระสวดอะไรความจริงเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งนั้น <c oughs> เป็น เมื่อเป็นภาษาบาลีคนฟังฟังไม่รู้เรื่องฟังภาษาไทยฟังภาษาบาลีไม่รู้เรื่องกไ็ไม่ได้ฟังกันก็เลยกลายเป็นธรามเนียมเวลาพระเทศก็ปล่อยท่านเวลาพระสวดก็ปล่อยท่านสวดไปโยมก็คุยกันไปไม่คุยก็นั่งหลับกันไปแล้วแต่อธัธยาศัยสังเกตดูไปงานศพนี้มีคนฟังพระสวดกันั้ม ไปงานบุญที่มีพราสวดกันนี้คนไปงานบุญนี่ไปฟังพราสวดกันหรือเปล่าไม่เรี๋ยก็ไปงานสังคมไปไปทักทายปลาใสากับญาติสนิทมิตรสหายที่นานๆจะได้พบปะกันสักทีถ้าไม่คนไม่ตายก็จะไม่ได้มาเจอกันถ้าญาติพี่น้องไม่ตายพี่น้องต่างๆก็จะไม่ค่อยได้เจอกัน พอนานๆเจอกันก็เลยต้องถามสารทุกขสุขดิบกันออก็เลยไม่ได้ไปไปฟังการสวดการสวดก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรไม่รู้สวดปไปทําไมถ้าจะสวดก็สวดเป็นภาษาไทยอย่างนี้สิกุศลาธรรมมาแปลว่าอะไรธรรมที่เป็นกุศลอักุศลาธรรมมาธรรมที่เป็นอกุศลเออปยากร อัพยาปชาัชฌาอัพยากตะธท ร, รมาแปลว่าอะไรรม ท, ที่เป็นกลางธรรมนี่คือสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นโทษและเป็นสิ่งที่เป็นกลางกลางไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นโทษสิ่งที่เป็นประโยชน์เรียกว่ากุศลสิ่งที่เป็นโทษเรียกว่าอากุศลเป็นโทษกับตัวเรานั่นแหละ เป็นการทำบาบนี้เป็นอกุศลอกุศลาทรมาเป็นธรรมที่เป็นอกุศลทำบาปมันเป็นโทษกับผู้กระทำและผู้ถูกกระทำเนี่ยน่าจะสวยแบบนี้คนไปงานศพจะได้ตั้งใจฟังกันได้รูว่าพระสวยอะไรสมัยพุทธกาลท่านไม่สวยกันหรอกเวลาแสดงธรรมท่านก็พูดคุยกันอย่างนี้ คนสมัยพุทธกาลก็าฟังภาษาบาลีรู้เรื่องเขาก็ใช้ภาษาบาลีกันแล้วเราก็จดจำภาษาบาลีมาจนถึงปัจจุบันนี้แต่ประเทศเราเราไม่ได้พูดภาษาบาลีแต่เราเอาบาลีมาสอนคนไทยคนไทยฟังก็งงเหมือนเอาภาษาไทยไปสอนฝรั่งคนไทยคุยกับฝรั่งฝรั่งฟังแล้วก็งง คนไทยบอกส s น a สแน i s h Fish, fish เป็นยังไงรู้เปล่าฝรั่งไม่รู้แต่คนไทยรู้ I speak English ส s n a k แ Fish, Fish แปลว่าฉันพูดภาษาอังกฤษงูงูปลาปลาสแนกส a นกก็งูฟิชก็ปลาแต่พอฝรั่งฟังแล้วฟังไม่เข้าใจอยู่พูดอะไรวะ <laughs> ดีไม่ดีไปเจอฝรั่งพูดไทยเป็นว่าพูดไทยดีกว่า นี่เรื่องของการสื่อสารกันตอนนี้ศาสนาพุทธนี่มีปัญหาเรื่องการสื่อสารกันระหว่างผู้ให้ความรู้กับผู้มาเรียนสื่อสารกันไม่รู้เรื่องจึงไม่เกิดความเข้าใจศาสนาเลยเจริญไปทางที่ไม่ควรจะเจริญเสื่อมไปในทางที่ควรจะเจริญ เสื่อมไปในทางความรู้ความรู้ธรรมะนี่ไม่รู้กันไปเจริญในทางถาวรวัตถุกันไปวัดก็ไปทำบุญกันไปงานศพก็ไปบริจาคเงินกันบริจาคเงินแล้วก็ถวายให้วัดไปวัดมีเงินก็มาสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สวยงามแต่ไม่มีประโยชน์คนดูก็ไม่ได้รับ ความรู้จากเจดีไม่ได้รับความรู้จากโบทอะไร น, นี่คือความเจริญของศาสนาความเสื่อมของศาสนาโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเสื่อมในในคราบของความเจริญคือเจริญทางวัตถุเจริญทางพิธีกรรมมีงานศพเยอะแยะไปนีทุกแห่งทุกคนมีงานศพมีงาน งานมงคลอะไรต่างๆเต็มไปหมดแต่นี่มันไม่ใช่เป็นเนื้อเนื้อของศาสนาเป็นเจริญการเจริญของเปลือกของศาสนาส่วนเนื้อของศาสนาคือการศึกษาการปฏิบัติการบรรลุนี่มีนิดเดียวถ้าเป็นทุเรียนก็มีเม็ดเท่านิ้วโป้งลูกเท่า ลูกเท่าส้มโอพอแกะเนื้อพอแกะเปลออกไปเจอเนื้อแค่เท่าหัวนิ้วโป้องอา้าวนี่คือศาสนาพุทธในปัจจุบันนี้ทาไมพูดอย่างนี้ก็ปริมาณของผู้ที่ศึกษาปฏิบัติผู้บรรลุธรรมนี่มีเท่าไหร่ชาวพุทธเรามีเก้าสิบเปอร์เซ็นตในประเทศไทยเก้าสิบของเจ็ดสิบล้านก็หกสิบกว่าล้าน เก้าเจ็ดหกสิบสามหกสิบสามล้านคนนี้มีศึกษาปฏิบัติธรรมและบรรุธรรมทักกี่คนถึงแสนไหมมีผ้าเรียบบุคคลถึงแสนไหมถ้าหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของหกสิบล้านก็เท่าไรหกล้านอะสิบเปอร์เซ็นต์ก็หกล้านอหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็หกแสนครึ่งเปอร์ซ็นก็สามแสน นี่คือปริมาณของเนื้อของศาสนามีเท่าหัวนิ้วโป้งในเม็ดทุเรียนในลูกแก่ลูกทุเรียนลูกมะเร็มเลยลูกเท่าฟุตบอลแต่พอผ่าออกมานี่จะกินเนื้อมนันนิดหน่อยเจอเท่าหัวแม่โป้งะแล้วก็เป็นเม็ด ส, ส่วนใหญ่มีเนื้อบางๆเคลือบเม็ดอยู่เท่านั้นเองกินได้ไหมกินไม่ได้ะ นี่แหละศาสนาของเราเป็นอย่างนี้เราไม่ค่อยได้รับประโยชน์จากศาสนาเท่าไหร่ทั้งๆที่ศาสนาของพระพุทธเจ้านี่มีประโยชน์มหาศาลแต่เรากลับทำนูเสึกว่ามันมเรากลับไปคิดว่ามันอยู่สุดเอื้อมของเราการที่เราจะไปนิพพานกันการที่เราจะบรรลุเป็นพระอริยบุคคลกันนี่ เราไปคิดว่ามันสุดเอื้อมกันมันก็เลยทำให้เราไม่ไปกันถ้ามันสุดเอื้อมพระพุทธเจ้าก็ไม่เสียเวลามาสอนตอนที่ตัดสรู้ใหม่ๆพระองค์ก็คิดอย่างนี้เหมือนกันคิดว่าสอนคนส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่มันก็คงจะคิดว่าสุดเอื้อมมันก็ไม่อยากจ ะ, ะสนใจที่จะศึกษาจะนำเอาไปปฏิบัติ พระพุทธเจ้าก็คิดว่าสอนไปก็เหนื่อยเปล่าๆสอนไปก็ไม่ได้รับประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์ตอนต้นก็ไม่อยากจะสอนแต่มีเท้ามาหาพรหมมากราบขออาลัธนาเท้ามาหาพรหมนี้อาจจะแปลว่าความเมตตาหรือเปล่าไม่ทราบนะเพราะคำว่าพรหมนี้ก็คือ เมตตากรุณาบุดิตาอุเบกขาเป็นคุณสมบัติของพองพรมนี่จะเป็นเท้ามหาพรหมมาเองหรือ ว, ว่าเป็นความเมตตาในพระทัยของพุทธเจ้าที่โผล่ขึ้นมาบอกว่าน่าจะช่วยเหลือเขานะแล้วก็ลองคิดดูทุกคนไม่เหมือนกันนะ คนที่สนใจก็มีคนที่ไม่สนใจก็มีถ้าคนไม่สนใจก็อย่าไปสอนเขาก็แล้วกันสอนคนที่เขาสนใจก็เลยได้พิจารณาแยกแยะดูคนที่มีอยู่ในโลกก็ทรงเห็นว่าแบ่งเป็นสี่พวกเปรียบเหมือนบัวสี่เหล่าคนที่สนใจคนที่มีความสามารถ ที่จะรับไปปฏิบัติได้ทันทีก็มีคนที่จะต้องศึกษาก่อนแล้วนำเอาไปปฏิบัติก็มีแล้วคนที่ไม่สนใจที่จะศึกษาไม่สนใจที่จะปฏิบัติก็มีก็แบ่งพระงก็เลยสามารถแบ่งแยกได้เหมือนกับแบ่งเด็กนักเรียนที่มาสัมาสมัครเรียนที่โรงเรียนเด็กที่มาโรงเรียน โรงเรียนบางทีก็ต้องคัดเลือกว่าคนจะอยู่ชั้นไหนถึงแม้ว่าจะอยู่ชั้นเดียวกันอย่างเดี๋ยวนี้มีห้องคิงห้องควฮะมีความสามารถไม่เท่ากันดูเกรดเฉลี่ยของเด็กแต่ละคนบางทีก็ให้สอบด้วยเพื่อจะได้รู้ว่ามีภูมิปัญญามากน้อยเท่าไหร่เพื่อจะได้จัดสรรให้อยู่ในห้องที่เหมาะสมถ้าเอาไปคุกเข้าวกันเดี๋ยว เด็กท e en ี่ด้อยกว่าก so ็จะฟังไม่เข้าใจถ้าสอนให้กับเด็กที่มีปัญญามากเด็กที่ไม่มีปัญญามากฟังก็ไม่เข้าใจถ้าสอนให้เด็กที่มีปัญญาน้อยก็จะเสียเวลาเด็กที่มีปัญญามากเพราะต้องมาการสอนเด็กที่มีปัญญาน้อยต้องสอนแบบง่ายสอนแบบซ้ําๆำซากๆแต่สําหรับเด็กที่มีปัญญามากนี่ สอนคำเดียวคำสองคำก็เข้าใจทางโรงเรียนเขายิ่งต้องมีการคัดสรรเด็กมีแบ่งเป็นห้องคิงห้องควีนเหรือบางบางห่ง ก, ก็เป็นทับหนึ่งทับสองทับสามไปเอาเด็กที่มีเกรดดีสูงสุดนี่ไปอยู่รวมกันในห้องทับหนึ่งรองลงมาก็ทับสองทับสามเพราะเกรดสี่ก็ไปอยู่ห้องทับหนึ่งเกรดสามก็ไปอยู่ห้องทับ สองเกรดสองก็ไปอยู่ห้องที่สามเกรดหนึ่งต่ำกว่าสองก็ไปอยู่ห้องที่สี่เนคนที่จะเข้าถึงธรรมะได้ก็มีแบ่งเป็นสี่เกรดเหมือนอกันเกรดที่หนึ่งเกรดที่สองเกรดที่สามเกรดที่สี่เกรดที่หนึ่งคือพวกไหนพรุทธเจ้าก็เห็นว่าก็คือพวกเป็นนักบวชนี่แหละพ ว, วกนักบวชนี่เขามี ภูมิปัญญา ม, มีความสามารถที่จะรับรู้คําสอนและปฏิบัติได้พร้อมพร้อมที่จะปฏิบัติได้พร้อมที่จะฟังและรับไปปฏิบัติได้ทันทีก็เปรียบเหมือนคนที่มารับอาหารเอามีจานมาเล่ามีภาชนะมารองรับแะ้วเทงตักอาหารเขาก็ใส่ภาชนะก็ได้ ทางคนที่ไม่มีภาชนะก็ต้องบอกเขาก่อนว่าให้ไปหาภาชนะมาก่อนไปหาจานหาชามมาก่อนเอถึงจะตักอาหารใส่ให้ได้เออนั่นก็พวกที่สองพวกที่ไม่มีภาชนะเออพวกที่สามนี่ก็นอกจากไม่มีภาชนะแล้วยังไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงพวกขี้เกียจ พวกนี้ก็ต้องสอนให้ขยนันให้ไปหาภาชนะมาให้ได้ก่อนนี้ที่พวกหนึ่งก็พวกไม่เอาเลยพวกที่ไม่สนใจเลยไม่สนใจที่จะมารับอาหารฟรีที่พระพุทธเจ้าจจแจกแจกคือทำเนี่ยบวชสี่เหล่าพวกร่างนี่ก็เลยเป็นพวกนักบวชและต้องเป็นนักบวชที่มีครบแล้วทั้งศีลทั้งสมาธิคือรักษาศีลบอยสุด ฝึกสมาธิมาอย่างโชคชนสามารถเข้าฌานระดับต่างๆได้ทำใจให้สงบได้ในระดับฌานต่างๆได้พวกนี้จะพร้อมที่จะรับปัญญาความรู้ของพระพุทธเจ้านี้คือปัญญาเพราะว่าการที่จะเอาปัญญานี้มากาจัดความทุกข์มาสร้างความสุขได้นี้จิตใจต้องมีพลังพลังก็คือสมาธิ การที่จะมีสมาธิได้ก็ต้องมีศีลที่บ่อยสุดเพราะถ้าไม่มีศีลแล้วเดี๋ยวจะไม่มีเวลามาฝึกสมาธินั่นเองศีลนี้เป็นตัวที่จะห้ามไม่ให้ไปทำกิจกรรมอย่างอื่นถ้าไม่มีศีลก็ไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปเล่นไ ป, ไปทำอะไรต่างๆได้แต่พอมาบวชนี่ไปไม่ได้นะเห็นไหมให้อยู่วัดอย่างเดียว จะไปเที่ยวเหมือนตอนที่ยังไม่ได้บวชไม่ได้พอไม่ไปเที่ยวก็มีเวลาที่จะมาฝึกสมาธินั่นเองแต่ถ้าไปเที่ยวไปทำงานทำมาหากินไปทำอะไรต่างๆจะไม่มีเวลาที่จะมาฝึกสมาธิได้ถ้าไม่มีสมาธิก็จะไม่มีกำลังที่จะเอาปัญญาที่พระเจ้ามอบให้นี้ไปทำลายความทุกข์ได้ไปกาจัดความทุกข์ไปสร้างความสุขให้กับใจได้ ดังนั้นพุทธเจ้าจึงดูคุณสมบัติของผู้ที่จะเรียนธรรมะเนี่ยผู้ที่รับธรรมะของพระพุทธเจ้านี่จะต้องมีศีลที่บริสุดต้องเป็นนักบวชหรืออยู่แบบนักบวชก็ได้ต้องไม่เป็นนักบวชแบบทางการคือไม่ได้โกนหัวไม่ได้อะไรแต่ก็มีศีลบ่อยสุดอยู่เหมือนพระทําตัวเหมือนพระเพียงแต่ว่าไม่ได้บวช แล้วก็จิตสงบตั้งมัน่นมีกำลังที่จะเอาธรรมะที่เป็นเหมือนอาวุธหรือเป็นมีดที่จะเอาไปทำลายความทุกข์ที่มีอยู่ในใจให้หมดไปได้เนี่ยมีคารวะคนอย่งเนี้ยที่ไม่ได้เป็นนักบวชแต่พระพุทธเจ้าก็โปรดแสดงธรรมให้ตอนที่ทรงบินทะบาทแล้วชายคนนี้ไปพบพระพุทธเจ้าระหว่างบินทะบาท ความอยากจะรู้ธรรมะรู้คมสอนรู้ปัญญาของพระพุทธเจ้าที่จะดับความทุกข์ภายในใจของตนคงจะได้ยินกิติศัพท์มาก่อนว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดไปได้ก็เลยอยากจะรู้มีความกระตือรือร้นมากอยากจะรู้ตอนต้นพระพุทธเจ้าก็ไม่อยากจะสอนเพราะไม่ใช่เวลา เพราะการสอนธรรมะมันก็ต้องมีเวลาต้องมีที่ที่เหมาะสมทีนี้ชายคนนั้นรู้สึกว่าเขากระตือรือร้นมากพระพุทธเจ้าคงจะเห็นว่าจิตของเขาพร้อมที่จะรับธรรมได้เพราะเขาบอกว่าเอาสั้นๆก็ได้ไม่ต้องอธิบายให้ยุ่งยากแสดงว่ามีปัญญาฟังรู้เรื่องฟังปั๊บเข้าใจไม่ต้องขยายความ ไม่ต้องยกตัวอย่างพระตถเจ้าก็เลยบอกแก่นของการของการทำใจให้ดับความทุกข์ว่าสักแต่ว่ารู้รู้อะไรก็ให้สักแต่ว่ารู้เห็นอะไรก็ให้สักแต่ว่าเห็นได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าได้ยินเห็นเฉยๆอย่าไปเห็นแล้วเกิดความโลภโกรธหลงขึ้นมาความหมายเห็นแล้วไม่โลภไม่โกรธไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลง อะไรก็ไม่รักชังกลัวหลงได้ยินอะไรก็ไม่รักชังกลัวหลงใครจะด่าก็ไม่ชงังใครจะชมก็ไม่รักได้ยินเฉยเฉยได้อะไรมาก็ไม่ได้รักไม่ได้ชงังเสียอะไรไปก็ไม่ได้รักไม่ได้ชงังนี่คือแกนของการกําจัดความทุกข์อยู่แค่ตรงนี้เองเราทําได้เอมไม่รักชังกลัวหลงแค่สี่ตัวนี้ เห็นอะไรก็เฉยเห็นเพชรก็เมชเท่านิ้วป้องก็เฉยเห็นทองหนักเป็นสิบโลก็เฉยเห็นรถเก๋งราคายี่สิบล้านก็เฉยเห็นคนแล้วเห็นคอนโดราคาห้าสิบล้านก็เฉยเฉยได้หรือเปล่า ถ้าไม่เฉยทุกนะรู้เปล่านะการไม่เฉยของใจเนี่ยเป็นความทุกขนะ์การเฉยนี่แหละเป็นความสุขเป็นความไม่ทุกขนะ์นี่ยท่านสอนแค่นี้เขาก็บรรลุแล้วนะเขาก็ขออนุญาตลาไปเตรียมเตรียมตัวบวชนะพอบวชพอเป็นพอบรรลุธรรมแล้วก็ไม่รู้จะอยู่เป็นข่าวละวาดไปทําไมนะนะอยู่กับพวกที่รักชังกลัวหลงอยู่กันไปก็ไม่เข้าใจนะ หาว่าซื่อบือ้ยไอคนนี้ทำไมมันเฉยอะไรเฉยไปหมดมันไม่รู้จักของดีว่าเป็นยังไงเลยใช่หให้ทองมาก็ไม่ดีใจให้เพชรมาก็ไม่ดีใจหาหาคนมาให้เป็นแฟนก็ไม่เอาเฉยอย่างเดียวอยู่กับคนที่ไม่เฉยไม่ได้หรอกคนที่เฉยแล้วเขารู้ว่าอยู่กับพวกที่ไม่เฉยไม่ได้ก็เลยต้องไปอยู่กับพวกที่เฉย ก็พวกของพระพุทธเจ้าก็เลยขอบวชกันเนี่ยคนในสมัยพุทธกาลนี่บางทียังไม่ได้บวชแต่บรรลุพอบรรลุแล้วก็ขอบวชกันทันทีะตอนต้นตอนตอน้ตนยังไม่บรรลุก็ยังไม่อยากบวชแต่พอบรรลุแล้วไม่รู้จะอยู่ไปในโลกทําไมเพราะความเฉยความสุขที่ได้จากการ ทำใจใจให้เฉยนี่มันสุขกว่าความสุขที่ได้จากความรักความชังเราเรามีความสุขกันเวลารักกันใช่ไหมรักก็มีความสุขบางทีเวลาชังก็มีความสุขพอเกลียดใคจนี่โอยสุขแล้วกันได้เกลียดคนนี้แล้วสมน้ำหน้าแต่ไม่รู้มันเป็นมันนเป็ความทุกข์ใจ เ, ออเออพราะมันทําให้ใจเราดิ้นทําใจให้เราเออ อยู่ไม่เป็นสุขนั่นเอง yeah. <unc> พอร <äche> ักอะไรก็อยู่ไม่เป็นสุขพอชังอะไรก็อยู่ไม่เป็นสุขพอกลัวอะไรก็อยู่ไม่เป็นสุกหลงกับอะไรก็อยู่ไม่เป็นสุขกแต่คนที่ไม่รักชังกลัวหลงนี่อยู่อยู่เฉยเเป็นสุ k นี่คือคนที่ถึงแม้จะไม่ได้เป็นนักบวชแต่มีคุณธรรมของนักบวชคือมีศีลมีสมาธิ มีความสามารถที่จะรับเอาปัญญาของพระพุทธเจ้าที่ไม่มีใครรู้วิธีที่จะทําให้ใจอไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายให้ใจมีแต่ความสุขความสงบไปตลอดก็คือการให้เฉยกับสิ่งต่างๆนั่นเองให้สักแต่ว่าเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินได้ดมกลิ่นก็สักแต่ว่าได้ดมกลิ่น ได้ลิ้มรสก็สัแตะว่าได้ลิ้มรสนยไม่มีความรักความชังความกลัวความหลงกับสิ่งเหล่านั้นก็เลยขออนุญาตลาไปเตรียมอัฐบริขารไปเตรียมตัวบวชระหว่างทางก็ไปถูกกะทินกทิ้ขวิดตายพระพุทธเจ้าก็บอกว่าให้ทำทำศพทาเผาศพแล้วก็ ให้สร้างสถูปบรรจุเอากระดูกของเขาไปบรรจุไว้ในสถูปการที่จะเอากระดูก ข, ของใครไปบรรจุในสถูปสมัยพุทธกาลนี้หมายถึงต้องเป็นคนที่สําคัญเช่นเป็นพระมาหาจักรพรรดิเป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นพระอาหารหันต์เขาถึงจะเอาไปบรรจุไว้ในสถูปในเจดีย์เพื่อเป็นอนุสอนแก่ผู้ที่อนุชนรุ่นหลังที่ จะได้ดูว่าในครั้งหนึ่งในโลกนี้มีบุคคลอันประเสริฐปรากฏขึ้นมาในดินแดนนี้คือมีพระพุทธเจ้ามีพระมาหาจากักรพรรดิมีพระอาหารหันตสาวกของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็เลยมาที่มีที่มาของพวกที่พวกที่เถนตรงที่ไปคิดว่า อย่างนั้นถ้าใครเป็นคารวาะพอเป็นผ้าอรหันแล้วถ้าไม่บวชภายในเจ็ดวันนี้จะต้องตายนะ <c oughs> ก็เลยกลัวนี่ยกลัวเป็นผ้าอรหันกันกลัวเดี๋ยวตายเป็นผ้าอหาันน่าตายไม่ยังไม่อยากตายไม่อยากเป็นถ้าเป็นผ้าอรหันแล้วต้องตายภายในเจ็ดวันบวชก็ไม่อยากบวช <c oughs> ก็เลยไม่อยากเป็นผ้าอรหันกัน ก็เลยไม่อยากจะมาศึกษามาปฏิบัติธรรมกันเนี่ยมันเป็นการแปลความหมายผิดๆกันไปตามเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเป็นพวกกระต่ายตื่นตูมก็ได้ยินนิทานกระต่ายตื่นตูมกระต่ายมันนอนอยู่ใต้ต้นตาลแล้วต้นตาลมันก็หล่นลงมาใกล้ๆกับตัวกระต่ายมันก็ทําเหมือนกับเป็นแผ่นดินไหว ความแรงสะเทือนของลูกตาลมันทำให้กระต่ายที่นอนดับตื่นตัวนออกขึ้นมาแล้วก็คิดว่าแผ่นดินไหวแล้วก็วิ่งโกยเลยหนีสัตว์อื่นเห็นกระต่ายวิ่งก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นกระต่ายก็บอกแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวไอ้ตัวอื่นพอได้ยินว่าแผ่นดินไหวก็วิ่งตามกันใหญ่จนไปเจอราชสี ราชาสีถามว่าไปไหนกัน <g ül> ก็ตายก็กลัวราชาสีก็เลยบอกว่านีกำลังหนีแผ่นดินไหว <g ül> ราชาสีก็ว่าไหวตรงไหนพาไปดูหน่อยสิ <g ül> ก็ตายไม่อยากจะกลับไปแต่ก็กลัว <g ül> ถ้าไม่ไปเดี๋ยวถู ก, กราชาสีห์ขมือบเอา <g ül> ก็เลยจาใจต้องพาราชาสีไปดูที่เกิดเหตุเ <g ül> อไปถึงที่เกิดเห็นก็เห็นลูกตาลอยู่ลูกนีนน แล้วก็ไม่เห็นแผ่นดินไว้ตรงไหนนี่คือราชาสีนี้ท่านบอกว่าเป็นเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยเป็นผู้ที่มีจิตที่มีพลังมีความมีเหตุมีผลไม่ตื่นตนกตกใจง่ายได้แต่ยังไม่ถึงเวล า, าที่จะไปเป็นพระพุทธเจ้ากาลังเป็นบำเพ็ญบารมีต่างๆอยู่เช่นอุเบกขาบารมี ก็เลยได้ครบข้อสรุปว่าแผ่นดินไม่ได้ไหวมันเป็นแค่ลูกตาลที่หล่นลงมาเท่านั้นเองอันนี้ก็เหมือนกันก่อนที่มาคิดว่าถ้าได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วถ้าไม่ได้บวชภายในเจ็ดวันนี้จะต้องตายไปเพราะมันมีสองกรณีอีกกรณีหนึ่งก็คือพ่อพระพุทธเจ้าเองพ่อพระพุทธเจ้าก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เจ็ดวันก่อนตาย ก็เลยเห็นไหมเนี่ยพอบรรพุผ้าอานแล้วพอไม่ได้เป็นผ้าแล้วไม่ได้ไปบวชก็ตายเลยเห็นไหแต่ความจริงท่านจะตายอยู่แล้ววาชวนหนักป่วยหนักพระพุทธเจ้าเลยไปเยี่ยมแล้วก็ไปคุยธรรมะไปโปดแสดงธรรมพอดีอยู่ในจังหวะที่ท่านพร้อมที่จะรับฟังธรรมตอนที่ไม่ป่วยไม่มีเวลาไม่สนใจพอป่วยนี่มันใจมันทุกข์มาก อยากจะให้มันไม่ทุกข์พระพุทธเจ้าก็สอนให้ปล่อยให้สักแต่ว่ารู้อย่างที่สอนนั่นแ่ะนั่งกายมันป่วยก็สักแต่ว่ารู้ว่ามันป่วยมันเจ็บก็สักรู้ว่ามันเจ็บมันจะตายก็สักแต่ว่ารู้ว่ามันตายเออย่าไปรักไปชังไปกลัวไปหลงพอพูดแค่นี้เข้าใจอท่านก็บรรลุเป็นพระอรหรันต์ได้แล้วก็ ร่างกายมันก็จะต้องตายตามวาระของมันก็ตายภายในเจ็ดวันพอดีเขาก็เลยว่านี่แหละใครเป็นค า, ารวาสแล้วถ้าเป็นผ้าละหันนี่ถ้าไม่บวดก่อนเจ็ดวันนี้ตายแน่ๆไม่ตายหรอกมันคนละเรื่องกันเรื่องของร่างกายกับเรื่องของของจิตใจมันคนละเรื่องกันมันไม่เกี่ยวกัน มันอยู่เหมือนคนสองคนเนี่ยคนหนึ่งเป็นอย่างนี้อีกคนนึงมันไม่ได้ทำให้อีกคนนึงเป็นอย่างนั้นตามไปด้วยนะการบรรลุเป็นพระอรหันนี้จะไม่ทำให้ร่างกายตายและการบวชก็ไม่ได้ป้องกันไม่ให้ตายการบวชเดียวก็ต้องตายพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันบวชอยู่ก็ต้องตายเมื่อถึงเวลาต้องตายก็ต้องตายพระอรหันทั้งหลายที่บวชอยู่ เป็นพระอรหันต์เมื่อถึงเวลาจะต้องตายก็ต้องตายเหมือนกันงนั้นการบวชนี้ไม่ได้มายับยั้งความตายของพระอรหันต์ได้ถ้ายับยั้งได้เราก็จะมีพระพุทธเจ้าอยู่กับพวกเราจนถึงปัจจุบันนี้แต่มันยับยั้งไม่ได้การบวชยัอย่าไปเข้าใจผิดอย่าไปกลัวความเป็นพระอรหันต์จะทำให้เราตายการเป็นพระอรหันต์นี้จะทำให้เราหลุดพ้นจาก ความทุกข์ทั้งปวงต่างหากจะทำให้เราได้ความสุขของพันธิพาลความสุขอันยิ่งใหญ่ความสุขที่ถาวรความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุดไปตลอดอนันตาการเพราะใจของพวกเราทุกคนนี้ไม่มีวันตายใจของพวกเราทุกคนนี้ไม่ตายแต่ตอนนี้อยู่กับความทุกข์ตลอดเวลาทุกเพราะเรามาเกิดกัน มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันนะแต่ถ้าเราสักแต่ว่ารู้ได้เราจะไม่กลับมาเกิดแต่เราไม่สักแตรวร่ว่ารู้เห็นเพชรก็ยังอยากได้เห็นทองก็ยังอยากได้เห็นอะไรก็ยังยังเบื่อยังเกลียดยังชังอยูอ่การมีความรักชังกลัวหลงนี่นะเป็นตัวที่ผลักดันให้เราต้องกลับมาเกิดอยู่ยเรื่อยๆเวลาชังก็หนีหนีไปเกิด เห็ไหมเวลาเบื่อฆ่าตัวตายนี่ก็ชังพอฆ่าตัวตายมันก็หนีจากร่างกายนี้เพื่อไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่เพราะยังอยากจะรักสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่นั่นเองยังอยากจะกลับมาหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ร่างกายนี้ไม่สามารถทาหน้าที่ตอบสนองความอยากได้ก็เลยทำลายมันแล้วเดี๋ยวก็จะได้ไปได้มีร่างกายอันใหม่ จะได้กลับมาเกิดใหม่เวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆตราบใดถ้ายังทำใจให้เฉยไม่ได้ให้สักแต่ว่ารู้ไม่ได้เนีย่ยนี่คือเรื่องของการแยกแยะคนในการสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแบ่งแยกเด็กไว้เป็นสามห้องด้วยกันเด็กเด็กเด็กกลุ่มที่สี่นี่ไม่รับมาเรียนะ ให้ไปเที่ยวกันเด็กกลุ่มที่สี่นี้ไม่ชอบเรียนชอบเที่ยวชอบชอบไปเล่นเกมชอบไป เ, เที่ยวตามสถานที่ต่างๆเอามาสอนไม่ได้สอนเด็กสามกลุ่มได้แต่เด็กสามกลุ่มนี้ก็มีเกรดไม่เท่ากันมีเกรดสองเกรดสามเกรดสี่ก็เลยต้องแบ่งห้องกันเป็นทับหนึ่งทับสองทับสามไปแล้วก็ไปสอนพวกที่ อสอนง่ายก่อนคือพวกเกจีพูดคำสองคาก็บรรลุจบพวกเกจสองพวกทับสองทัพสามนี่ต้องใช้เวลาหน่อยต้องใช้เวลาอธิบายแล้วต้องสอนให้ทําอะไรที่ยังไม่มีพวกที่หนึ่งไม่ต้องสอนเขามีทุกอย่างแล้วเขาขาดอย่างเดียวคือปัญญาเขามีศีลมีสมาธิแล้วพอให้ปัญญากับเขาเขาก็เอามาใช้ได้ทันทีพวกที่สอง น, นี่ เป็นนักบวชเหมือนกันแต่ไม่มีสมาธิมีแต่ศีลเพิ่งเริ่มบวชแต่ยังไม่ได้ฝึกสมาธิยังไม่รู้จักวิธีฝึกสมาธิว่าฝึกยังไงทำจิตให้สงบทํายังไงอันนี้ก็ต้องมาสอนพวกนี้สอนมากหน่อยต้องสอนวิธีสร้างสมาธิขึ้นมาพอก็มีสมาธิแล้วก็ให้เขาออกปัญญาที่พระเจ้าทรง รู้ทงเห็นนี้มาใช้พวกนี้ก็ต้องใช้เวลาหน่อยพวกแรกนี้พูดปั๊บก็บรรลุปุ๊บเลยพูดปุ๊บก็บรรลุปั๊บเลยแสดงทำให้ห้าร้อยคนบรรลุพร้อมกันทีเดียวห้าร้อยคนเลยเพราะตอนนั้นท่านมุ่งไปแต่ตามสำนักของนักบวชต่างๆ นักบวชสมัยนั้นเขาก็มีการปฏิบัติแตกต่างกันไปตามความรู้ความเห็นเหมือนกับศาสนาสมัยนี้ก็มีความเชื่อมีการปฏิบัติที่แตกต่างกันไปแต่ละาศาสนาก็มีความเชื่อไม่เหมือนกันการปฏิบัติก็เลยไม่เหมือนกันผลที่ได้จากการปฏิบัติก็จึงไม่เหมือนกันพอพระพุทธเจ้านี่เป็นคนที่กล้ า, าหาญไม่กลัวาศาสนาไหนทั้งนั้น สามารถไปสอนให้กับทุกศาสนาได้สำนักไหนมีความเชื่อผิดท่านก็สอนว่าผิดเนี่ยอย่าไปเชื่อบางศาสนาสำนักก็สอนให้บูชาไฟบูชาไฟแล้วก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ว่าอไม่บูชาเร็มยนตานก็ไม่มีหลุดไฟมันไม่เกี่ยวไม่ใช่บูชาไฟแล้วไฟมันจะไม่เผาใจเราไม่ใช่อย่าง พระเจ้าบอ ก, ากว่าต้องไปกรรมจัดเชื้อผดเชื้อไฟเชื้อไฟก็คือราคะโทสะโมหะนี่ราคะคินาโทสักินาโมหักคินาไฟที่ทำให้เกิดความทุกข์ไฟแห่งราคะกามราคะไฟแห่งโทสะไฟแห่งโมหะความหลงอันนี้คือการสอนพระเจ้ากับพวกนักบวชสอนแค่นี้เขาก็บรรุ้กันแล้วใช่ไหม เขาก็เขาก็เลิกบูชาไฟมากำจัดตัวราคะโทสะโมหะเขาก็หลุดพ้นเป็นผ้าหลานห้าร้อยรูปพร้อมกันเลยาภายในเจ็ดเดือนแรกนี้พระเจ้าผลิตผ้าหลานขึ้นมาพันกว่ารูปทำไมเราถึงรู้ว่าพันกว่ารูปก็คือวันมาค้า บ, บูชาเจ็ดเดือนหลังจากที่พระองค์ได้ท่งประกาศประธรรมคำสอน เป็นครั้งแรกในวันเพ็ญเดือนแปดพอเจ็ดเดือนต่อมาก็มีพระอาาราันสาวกหนึ่งพันสอง้อยห้าสิบรูปที่พุทธเจ้าได้สั่งได้สอนเป็นผู้บวชให้มาเฝ้าโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันพวกนี้เขากระจายกันไปตามสารทิตต่างๆเวลาบรรลุปเป็นพระอรหันต์แลวระพุทธเจ้าบอกให้แยกทางกันไปอย่าอยู่กระจุกอยู่ที่เดียว เพราะต้องการจะเอาคำสอนนี้ไปเผยแพร่ให้กับผู้คนได้มากต้องไปกันทิละคนอย่าไปเป็นคู่อย่าไปเป็นกลุ่มแต่พอเขาไปเผยแพร่แล้วเขาก็คิดถึงพระคุณของพระเจ้าอยากจะมาเยี่ยมอยากจะมาเฝ้าก็เลยมาโดยไม่ได้นัดหมายกันหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปอาจจะมีมากกว่าหนึ่งพันสองอยห้าสิบรูปที่ที่ไม่ได้มา แต่อย่างน้อยเรารู้ในประวัติว่าต้องมีหนึ่งพันสองรห้าสิบรูปขึ้นไปภายในเจ็ดเดือนนะพระพุทธเจ้าผลิตพระลหันสอนให้นักศึกษาได้รับปริญญาเอกหนึ 1, ่งพันสองร้อห้าสิบูปก่อนหน้านี้ตอนก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้ามาสอนนี้ไม่มีพระลหัน์แม้แต่รูปเดียวโลกว่างจากพระลหันเป็นเวลาเป็นกลับเป็นกันเลย ไม่มีพระอรหันต์มาปรากฏมาแต่รูปเดียวเพราะต้องมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้สั่งผู้สอนนะพอมีพระพุทธเจ้ามาปรากฏนี่พอเริ่มสั่งสอนนี่ก็เลยมีปรากฏขึ้นมาภายในเจ็ดเดือนก็พันกว่ารูปท่านมุ่งไปสู่พวกที่พร้อมที่จะรับธรรมทัน ท, ท, ทีคือพวกนัก บ, บวชที่มีสมาธิมีฌานพอเอาพวกนี้หมดแล้วทีนี้ก็เอามาเอาพวกทัพสอง พวกที่ยังไม่มีฌานก็มาสอนวิธีฝึกฌานกันสอนวิธีนั่งสมาธิเจารานสติอาณาปณะสติพุทโธกันให้เกิดสมาธิกันมามีศีลเป็นนักบวชแล้วแต่ยังไม่รู้จักวิธีปฏิบัติสมาธิได้อย่างถูกต้องไม่รู้ว่านั่งสมาธิแล้วจิตสงบได้อย่างไรสงบก็ต้องมีสติตลอดเวลาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาจนถึงเวลาหลับไป ก็เลยต้องใช้เวลาสอนพวกนี้ให้มากหน่อยแล้วก็ต้องสอนให้รู้จักคิดทางปัญญาให้คิดทางเหตุทางผลให้มองความจริงว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นอย่างไรมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราถ้าไปรักไปชอบแล้วก็จะทุกข์เพราะได้มาแล้วเดี๋ยวจะต้องเสียไปพอเสียไปก็จะทุกข์ถ้ามีปัญญาก็จะจะไม่อยากได้ก็จะเฉย เห็นอะไรก็จะเฉยไปใจก็จะไม่ทุกข์อันนี้พวกที่สองต้องใช้เวลาสั่งสอนให้มากหน่อยพวกนี้เป็นพวกที่ทำให้เกิดพระวินัยต่างๆขึ้นมาหลายข้อมาบวชแล้วบางทีก็ศีลก็ยังไม่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรบ้างเป็นพระควรจะประพฤติอะไรไม่ควรประพฤติอะไร บางทีก็ไปทําอะไรที่ไม่ไม่น่าดูน่าชมชาวบ้านเห็นเขาก็มาฟอ้องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยต้องมากำหนดอภิไธยคือสีน227ข้อขึ้นมาไม่ได้กําหนดทีเดียวพร้อมกันกําหนดตามเหตุการณ์ใครจะไปทําอะไรผิดก็เอามาพิจารณาเมื่อเห็นว่าผิดไม่ควรทําก็สั่งห้ามต่อไปก็เป็นเป็นเป็นเป็นศีลของพระขึ้นมา พวกกลุ่มแรกนี้เขาเขารู้วิธีอยู่แบบพระเขาไม่ได้ทําผิดอะไรเขาไม่ได้ทําอะไรให้เสียหายเลยยุคแรกๆไม่มีไม่มีพระวินยัยไม่มีศีลของพระเพราะพระทุงรูปเขามีศีลในตัวเขาแล้วเลยต้องมาไม่ต้องมาสอนเรื่องศีลไม่ต้องสอนเรื่องสมาธิแต่เพราะ พอกลุ่มที่ที่สองพวกนี้เป็นพวกที่มาบวชใหม่บางที่ไม่รู้ว่าบวชแล้วต้องทำอะไรบ้างก็เลยต้องสอนมาทั้งศีลทั้ง ส, น อ, งสอนทั้งสมาธิทั้งสอนทั้งปัญญาแล้วไม่นานเนี่ยพวกนี้ท่านก็รับประกันภายในเจ็ดเดือนเจ็ดเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีก็สามารถบรรลุได้แต่ต้องใช้เวลาปฏิบัติส่วนกลุ่มที่สามก็เป็นกลุ่มของผู้ที่ยังไม่ได้บวช แต่มีความสนใจเห็นนักบวชแล้วก็เกิดความพิศวงขึ้นมาอยากจะรู้ว่าเขาบวชกันทําไมพอรู้ว่าบวชเพื่อให้ดุดพ้นจากความทุกข์ก็เกิดศรัทธาอยากจะบวชบ้างแต่ยังมีมีภาระหน้าที่หรือมีอะไรต่างๆที่ยังไม่สามารถทําให้บวชได้พวกนี้ก็ต้องอาศัยการสั่งการสอนให้เกิดศรัทธามากขึ้นไปดําหรับ ให้ทําบุญทําทานให้รักษาศีลให้ฝึกภาวนาอยู่ที่บ้านไปก่อนะยังบวชไม่ได้ก็เป็นนักบวชชั่วคราวก่อนวันพระก็อยู่แบบนักบวชกันถือศีลของนักบวชอยู่แบบนักบวชฝึกสมาธิฟังเทศฟังธรรมให้เกิดปัญญาขึ้นมาถ้าทํานี้บ่อยๆต่อไปก็พร้อมที่จะไปบวชได้อันนี้กลุ่มที่สามนี่คือ คนที่พทธเจ้าได้ทรงแยกแยะว่าสามารถที่จะรับธรรมของพระองค์ได้ก็แบ่งเป็นสามกลุ่มนี่พระองค์เลยตัดสินใจสอนไม่ใช่นั้นถ้าคิดตอนต้นก็คิดว่าไม่มีไม่มีใครสนใจเพราะทุกคนเห็นส่วนใหญ่จะชอบเที่ยวชอบกินชอบเดื่มกันชอบหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกัน ชอบล่ำชอบรวยกันชอบเป็นใหญ่ชอบเป็นโตกันอันนี้เป็นกลุ่มใหญ่คนส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นชาวพุทธเราก็เหมือนกันเก้าสิบเปอร์ซนเนี่ยจะมีที่จะมาสนใจที่จะมาศึกษามาปฏิบัติกันนี้จะมีสักกี่เปอร์เซ็นต์กันถึงหนึ่งเปอร์็หรือเปล่ปาหกล้านสิบเอร์ซนก็หกล้านคน ถ้าหนึ่งเอร์เ็นต์ก็หกสนคนที่เป็นพุทธแบบแท้คือทําตามคําสอนพระพุทธเจ้าทําบุญทาําทานเป็น เ, เป็นนิสยัยเป็นปกตินักษาศีลเป็นปกติเข้าวัดเข้าว่าฟังเทศฟังธรรมในวันพระอยู่วัด เ, เพื่อปฏิบัติธรรมกันจะมีทักกี่แสนกันที่เรียกว่าอุบาสกอุบาสิกา ส่วนใหญ่ก็เป็นพวกที่ชอบไปจุดธูปสามดอกจุดธูปเทียนสมดอกถวายเงินปัจจัยเป็นเครื่องสักการะหยอดไปในตู้หยอดเหรียญไปในตู้แล้วก็ขอให้หลุดพ้นจากความทุกข์ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญอันนี้จะเป็นส่วนใหญ่เก้าสิอนระ์ซ์น้องเกอร์ซนี้ห้าสิบกว่าล้านนี่จะเป็นแบบนี้เท่านั้นเข้าวัดก็เพื่อไปไปเอาเปลือก ของผลไม้ไปเอาเปือกของศาสนาไม่ไปเอาเนื้อของศาสนาพวกที่จะเอาเนื้อนี้จะต้องเป็นพวกที่เข้าไปแล้วต้องไปศึกษาอย่างน้อยอาทิตย์ก็หนึ่งวันวันธรรมสวัสดเนี่ยเข้าไปฟังเทศฟังธรรมไปถืออุโบสถศีลไปถือศีลในวัดไปปฏิบัติจเจริญสติสมาธิฟังเทศฟังธรรมให้เกิดปัญญาพวกนี้ยังถือว่าเป็นพุทธแท้น่ยคือพุทธที่ป ผู้่ใฝ่ทำพุทธที่ต้องการจะหลุดพ้นจากความทุกข์จริงๆจะต้องมีการศึกษาและปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่อาจจะปฏิบัติได้ไม่มากเพราะไม่มีเวลามากพอเพราะยัง ม, มีภารกิจต่างๆที่จะต้องไปทําอยู่แต่พอได้สัมผัสได้ลองปฏิบัติแล้วได้สัมผัสกับรถแห่งธรรม ที่เหนือการลดทั้งปวงก็จะเกิดมีความยินดีที่จะศึกษามากขึ้นปฏิบัติมากขึ้นก็จะหาเวลามาเพิ่มเองก็จะตัดภารกิจทางโลกไปภารกิจการงานความเกี่ยวข้องกับคนต่างๆก็จะตัดไปเอาเวลามาศึกษามาปฏิบัติทําให้มากขึ้นต่อไปก็บวชได้พอบวชแล้วก็ไปรักษาศีล ได้ฝึกสมาธิพอได้ศีลได้สมาธิก็เอาปัญญาที่ได้ศึกษามาใช้ก็สามารถดับความทุกข์ต่างๆได้นี่คือเรื่องของการเข้าวัดเข้าหาพระาศาสนาควรจะเข้าหาเนื้อกันเหมือนกินผลไม้เราไม่กินเปลือกกันเปลือกเราทิ้งโยนทิ้งแกะทุเรียนมาไม่เก็บเปลือกมากินกันกินแต่เนื้อทุเรียน นี่คือสิ่งที่เราควรจะรับจากศาสนาคือรับเนื้อของศาสนาด้วยการศึกษาพระธรรมคําสอนเมื่อศึกษาแล้วก็นําออกไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วก็จะได้ได้รับผลได้เนื้อของศาสนาคือการหลุดพ้นจากความทุกข์เป็นขั้นๆไปเอาแล้วนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา จะขออนุโมทนาให้พ่อนยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปติยชิตังปติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตตสังกปา จันโทปนะหระโสยธามณีโชติหระโสยธาสัพพิติโยวิวาจันโตสัพพโรโควีนัสโต มาเตภวะตะวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะพิวะธนสีลิบสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโอธรมมาวทานติอายุวันโนสุขังภลังวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ วันนี้ทาง Facebook เข้ามา421 YouTube 131วิทยุออนไลน์45รับฟังข้างบนนี้40คนรวมทั้งหมดเป็น637ครับโอเคมีใครอยากจะถามมั้ยเดี๋ยวต้องมาเอาไมโครโฟนถ้าอยากจะถามโอย้ยังหรอจะไม่ใช่เวลาถ่ายแล้วนี้ ถ่ายเอาเปลือกไปทำไมเนื้อไม่เอามาถึงนมาถึงเนื้อเราไปกินเปลือกทำไมถ่ายรูปมันก็เอาเปิือกไปเท่านั้นแหละมันมันไม่มีสาระาประโยชน์อะไรแต่ถ่ายได้เดี๋ยวก็รอให้มันเลิกก่อนเดี๋ยวนี้เสียเวลาคนที่เขาจะรอถามคำถามอยู่นักมาการพระอาจารย์เจ้าค่ะ หนูขอโอกาสถามคาถามเกี่ยวกับใกล้ๆหน่อยใกล้ๆหน่อยพูดใกล้ๆหนูขอโอกาสถามคําถามเกี่ยวกับเรื่องจิตรวมเจ้าค่ะจิตรวมก็จิตเป็นหนึ่งไงตอนนี้จิตกระจายออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกายไปทางรูปเสียงกลิ่นรสเราก็ใช้สตินึงมาให้มันรวมเหมือนกับเคยเห็นแห่ไหมแห่แหที่เขาทอดแห่จับปลาไหมเวลาเขาจะทอดแห่เขาก็กระจายมันออกไปใช่ไหม กระจายลงไปใส่ไปในน้ามันจะได้แล้วเวลาพอใส่แล้วเขาจะเอาจับปลาที่อยู่ในหางเขาก็ดึงมันเข้ามารวมันเข้ามาอันนี้ก็เหมือนกันใจเราตอนนี้กระจายไปทางตาหูจมูกลิ้นกายไปที่รูปเสียงกลิน่นนแล้วก็ไปวุ่นวายกับมัน ใจเราไม่มีความสุขเวลาเป็นกระจายออกไปมีแต่ความวุ่นวาย เ, เ, เ, เรื่องนู่นเรื่องนี้สุขก็สุขเดียวเดียวสุขก็เดี๋ยวก็วุ่นวายกับสิ่งที่ได้มาทุกข์กับสิ่งที่ได้มาอีกนี่พระเจ้าสอนว่าให้จิตรวมดีกว่าจิตรวมแล้วจิตจะมีความสุขที่ที่แท้จริงที่ถาวร ก็เลยต้องใช้สติดึงใจออกจากรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยใจมันจะคิดไปถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็ใช้สติหยุดคิดมันการไปของใจก็ไปด้วยความคิดเนี่ยเรานั่งอยู่ตรงนี้แต่เราคิดถึงคนนั้นคนนี้ละหรือเราเห็นอะไรเราก็ไปละคิดเห็นเห็นรถสวยๆก็ไปละเห็นกระเป๋าสวยๆก็ไปละมันไปเราจึงต้องปิดตาหูจมูกดิ้นกายมาอยู่ในปา เพื่อจะได้ดึงใจมารวมเป็นหนึ่งให้มันกลับเข้ามาในใจนี่คือจิตรวมก็คือเวลาจิตเป็นสมาธิเนี่ยจิตรวมคือหนูตามรู้กายระหว่างวันแล้วก็มีพุทโธแทรกด้วยระหว่างวันนะค ะ, ะเพื่อให้สงบมากขึ้น ด, ดึงกลับมาอย่าให้มันไปหารูปเสียงกลิ่นรดแล้วพอมานั่งสมาธิเนี่ยรู้สึกว่าจิต เออหมายถึงว่าสงบได้มากกว่าแต่ก่อนกิเลสน้อยลงเวลานั่งก็จะไม่ค่อยไ ม, ไม่ค่อยต้องสู้เหนื่อยมากออแต่ว่าความคือความสงบก็มาก็เหมือนกับได้พูทโทพูทโทพุโทโธอยู่เรื่อยๆตามรู้ต่อเนื่องออแต่ว่ามันยังไม่ถึงกับรวมลงจะอค่ ะ, ะจิต<ะ>ยังกำลังไม่พอต้องฝึกต่อไป ก็ต้องเป็นไปเป็นขั้นขั้นตอนนี้อาจะได้ห้าสิบเปอร์เซ็นตสติแล้วกำลังยังน้อยอยู่ยังเผลออยู่บางทีก็ว่าไปเรื่องนั้นวัดว่ดไปเรื่องนี้มันก็เลยรวมยากก็ต้องพยายามฝึกสติให้มันมีมากขึ้นต่อเนื่องมากขึ้นเวลานั่งมันจะได้สงบได้มากขึ้นไม่ง่ายหรากทำไปได้แค่นี้ก็ถือว่าบุญแล้วคือ ปีเมื่อต้นปีที่แล้วว่าเจ้าค่ะหลังจากที่เริ่มนั่งสมาธิมาได้สามเดือนหนูเคยนั่งแล้วก็อยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธไม่ถึงประมาณไม่ถึงไม่เกินสิบห้านาทีตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าได้รวมรว ม, รวมลงไปอยู่กับในความว่างแต่ว่าสั้นมากออแค่ไม่เกินห้าวินาทีก็ูกแล้วงลาบลินงูลบลินแต่หลังจากนั้นมาหนูพยายามทํายังไงออมันก็ ไม่กลับมาอีกคนเพราะครงนั้นมันฟุกไงเหมือนเวลาเรายิงปืนบางทีหัดยิงปืนใหม่ๆฟุกยิงเข้าเป้าเลยแต่ครั้งต่อไปพยายามจะยิงไงมันก็ไม่เข้าเพราะช่วงนั้นมันปัจจัยทุกอย่างมันพร้อมมันทุกอย่างมันเสริมให้เข้าไปแต่มันเข้าไปได้ปุ๊บเดียว แล้วปัญหาต่อมาคือพอเข้าไปแล้วทีนี้เวลานั่งครั้งใหม่อยากให้มันเข้าสิแทนที่จะมีสติไม่ได้เราต้องลืมเรื่องเก่าไปแล้วเรื่องที่เราเคยเข้าอย่าไปอยากมันกลับมาฝึกฝึกสติให้มันอยู่กับเรื่องเดียวอยู่ถ้าดูลมก็ดูลมอย่างเดียวพุโทโธก็พุโทโธอย่างเดียวอย่าไปคิดให้คราวที่แล้วมันเข้าทำไมตอนนี้ยังไม่เข้าถ้าคิดปุ๊บมันก็ไม่เข้าเลยต้องพุทโธอย่างเดียวอย่าให้มีความคิดอย่างอื่นเข้ามาแทรกค่ะ เจ้าค่ะเอราะนั้นทุกคนเป็นอย่างเนี้บางทีขั้งแรกมันจะพลุกแล้วขั้งต่อไปมันอยากจะได้เหมือนเดิมมันไม่ได้นะออแต่มันดีเพราะว่ามันจะทําให้เราได้ดูหนังตัวอย่าง เ, เราจะรู้ว่ามันดีอย่างไรเ อ, อเราจะทําให้เราอยากจะได้มันแต่เวลานั่งอยากไปอยากทนันเวลาอื่นอยากได้เช่นเวลาจะไปเที่ยวกับ ก็ให้ไปอยากนั่งสมาธิอย่างั้นอยากได้อย่างนั้นแต่พอถึงเมื่อพร่่่่่่่่่่่่่่น่่่่อ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่อ่่่่ั่่่่่่่่่่่่่่ย่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่มันไม่ใช่ของง่ายคนที่จะได้่่่่่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่บ่่่่่ว่่่ พบคุมใจตลอดวันนี้ไม่มีภารกิจเรื่องอื่นที่ต้องให้มาคิดมุ่นวายใจต่ อ, อไปคำถามจากทางบ้านนะครับจากคุณดาวรินกราบนมัสการพระอาจารย์ถ้าเราเริ่มฝึกนั่งสมาธิโดยดูลมหายใจเข้าออกแต่ไม่ได้บริกรรมใดๆ ดูเพียงลมที่ผ่านเข้าออกบริเวณปลายจมูกจนรู้สึกถึงการขยับของปลายจมูกด้านบนแต่พอนั่งไปประมาณสี่สิบนาทีจะเริ่มเมื่อยและเหน็บชาบริเวณขามากจะต้องพิจารณาอย่างไรเพื่อให้ผ่านจุดนี้ไปได้เจ้าคะเพราะติดอยู่ตรงนี้ทุกครั้งเวลาฝึกนั่งสมาธิ บางทีถ้าดูลมไม่ได้มันไปเจอความเมื่อยก็อาจจะต้องแก้ด้วยการใช้คำบริกรรมนะถ้าดูลมไม่ได้ก็ลองเอาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธใส่เข้าไปแทนให้อยู่กับพุทโธไปอย่างเดียวแต่ต้องขยันเพราะมันจะหมดแรงถ้าอยากให้มันผ่านตอนนี้ต้องคืดสู้ขึ้นมาต้องพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปแล้วถ้ามันต่อเนื่องมันก็อาจจะผ่านได้ ถ้าไม่ผ่านก็แสดงว่าอาจจะต้องมาฝึกสติมาเดินจงกรมหลายๆชั่วโมงก่อนให้มีสติมีกําลังมากขึ้นก่อนคําถามจากคุณเคสเราจะทราบได้อย่างไรว่าเข้าฌานสี่หลังจากอาการปิติเกิดขึ้นหลายๆครั้ง <c oughs> ก็เหมือนกินข้าวเราจะทราบได้งไงว่าอิ่มหรือ ย, อยัง มันเป็นของที่เรารู้เองอะมันอิ่มกินไม่ลงแล้วมันก็กินไม่ลงมันก็อิ่มฮะเวลามันเป็นอูเบคขามันก็จะเป็นอูเบกขาเองข้อสําคัญขอให้เรากินไปเรื่อยๆถ้ายังสงสัยว่าอิ่มหรือ ย, อยังนี่ก็อย่าแสดงว่ายังไม่อิ่มนะก็กินต่อไป กินเยอะทั้งมันกินไม่ลงเนี่ยแหละมันก็รัวอิ่มแน่ๆอันนี้ก็เหมือนการ น, นั่งไปแล้วมันปิฏิกิดแล้วยังไม่อุบเบกขาก็ดูลมต่อไปพุทโธต่อไปอย่าหยุดนทําต่อไปอนจนกว่ามันจะเข้าไปเองเอีเพลงมันของนี้มันเป็นเรื่องที่จะต้องสัมผัสรับรู้ด้วยตนเองไม่รู้จะมาอธิบายอย่างไรอขอให้เราดูลมไปภาวนาไปเรื่อยอย่าหยุดแเดี๋ยวมันก็จะถึง คำถามจากคุณนางกราบนมัสการค่ะพระอาจารย์ในการที่คนเราพูดไม่มีสัจจะยืมเงินแล้วว่าวันนั้นวันนี้จะมาให้แต่ไม่ได้เอามาใช้คืนเป็นต้นแต่แล้วเขาก็ไม่ได้ทำตามคำพูดเลยไม่ได้ใช้หนี้ให้เรา แล้วเขาจะได้รับโทษอย่างไรค ะ, ะเขาก็ทําบาปต่อไปข้างหน้าเขาก็ต้องอาจจะถูกคนอื่นมาขอยืมเงินแล้วก็ไม่ได้ใช้คืนมันเป็นกงกรรมกรงเกวียนไปเคยไปขโมยเงินของคนอื่นเดี๋ยวก็ต้องถูกก็ขโมยเงินเราไปเคยไปยืมเงินใครแล้วไม่ใช้เขาเดี๋ยวก็ต้องมีคนมายืมเงินเราแล้วก็ไม่ใช้เราอาจจะไม่ชาติไม่ชาตินี้ อาจจะเป็นชาติหน้าหรือชาติต่อไปก็ไม่รู้แหละแต่มันเป็นลักษณะแบบนี้ในชาตินี้ก็จะไม่มีใครให้ยืมเงินอีกแล้วอย่า ง, งาน้อยก็ยืมเงินจากเราไม่ได้ละคำถามจากคุณสุตราพระอาจารย์เจ้าขาทำไมหนูมาต่างประเทศต้องมาป่วยมาเจ็บขาด้วยคะอาจารย์ทำให้หนูหายไวๆหน่อย จะได้เมคค่ะการเจ็บป่วยมันไม่เลือกการสถานที่หรอกมันอยากจะเจ็บมันจะป่วยเมื่อไหร่มันก็เป็นของมันอยากจะหายก็ไปหาหมอเลยเราไม่ได้เป็นหมอรักษาเรายังเป็นเลยเนี่ยนั่งนี้ก็ยังเป็นแต่เราไม่เดือดร้อนกับมันท่านเป็นก็รู้มันเป็นถ้าเราเป็นก็รู้มันเป็นไม่ต้องไปเดือดร้อนก็อยู่ของมันไปคำถามจากคุณสุวิพันธ์ถ้าเราเคย ปฏิบัติสะสมบุญมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันบุญที่เคยสั่งสมมาเราต้องทำต่อเนื่องถ้าไม่ทำต่อบุญนั้นจะหมดไหมคะออบุญไม่หมดหรอกบุญที่เราทำไว้มันจะหมดต่อเมื่อเราไปรับผลบุญถ้าไปรับผลบุญมันก็จะหมดเหมือนเติมน้ำมันรถเนี่ยถ้าเติมนแล้วเราไม่ไม่วิ่งน้ำมันมันก็ยังอยู่ในรถอยู่นะ พอไปขับมันเดี๋ยวน้า ม, มันมันก็หมดเนะบุญหรือบาปก็เช่นเดียวกันมันจะหมดก็ต่อเมื่อเราไปรับผลบุญผลบาปเิ้นทำไปเรื่อยๆบุญบาปก็อย่าไปทำเพราะเวลาบุญกับบาปมันจะมาแย่งกรใจเราตอนที่เราตายถ้าจะบาปมันมากกว่ามันก็ดึงใจเราไปอาบายถ้าบุญมากกว่ามันก็จะดึงเราไปสวรรค์คาถามจากคุณสิริวัต กราบเรียนถามครับว่าคนที่ตายแล้วถ้าไม่ได้จัดงานศพหรือเผาศพจิตจะสามารถไปสู่ภพภูมิอื่นได้เลยหรือไม่ครับ อ, อ๋อไปเลยไม่เกี่ยวกับเรื่องงานศพแล้วไม่ศพนะไม่เกี่ยวกันพอตายปั๊บใจก็ปล่อยเหมือนคนขีมน่ม้าอย่างนี้พอม้าตายคนก็เดินต่อไปถ้าต้องการเดินทางไปไหนก็ไม่มาร อ, อ, อจัดการศพของของม้าละไปละ ใจก็เหมือนกันพอร่างกายตายไปใจไม่สามารถมาจัดการงานศพได้ใจก็ไปตามทิศหมายปลายทางที่ใจต้องการจะไปต่อคำถามจากคุณทั ญ, ญบูรณ์เราสุดท้ายนะเพราะพายุฝนจะเข้าแนละ้วเดี๋ยวญาติโยมจะได้กลับได้ครับจะไปบวชเพื่อปฏิบัติ โดยไม่มีกำหนดศึกที่พระอาจารย์ได้ไหมครับไม่ได้เร้วเพราะเราไม่ได้เป็นเจ้าอาวาต้องไปติดต่อกับเจ้าอาวาสเอาล้วนะขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอด